ต่อไปนะครับกับมันคารอุารบาสกวิทีนะหน้าร้อยเจ็ดนะครับสิขาบทที่แปดสิบเจ็ดเหมือนกันพิสูจน์รูปใจประสงค์จะให้ทำเตีตยงหรือกัันใหม่คือจะทำให้มีขาสูงแต่นิ้วพระสุคดยโดยยกเว้นไม่วัดรวงแม่แค่ที่มีอยู่ภายใตย้เมื่อให้ทำสูงกว่านะั้น เศษหน้านกากปาจิตตีปาจิตตีที่ต้องตัดวัาถู ก, ก่อนจึงจะแสะดงอาบัตตกถ้าไม่ต้องการตัดให้ฝังขาเตียงลงพื้นให้ความสูงได้ขนาดนะครับานไหนมันจะรงมากันถัด <c oughs> ้เ <c oughs> สนอใช่ไหมเปขุด <c oughs> หลุหมระบาดนครับคือสมัยก่อนข้าจะเป็นกุฏิดินอย่างนี้นะเป็น <c oughs> กระดินเลยนะครับ่บนะ น, นี่นะครับให้ทําเตียงสั่นะ น, นะครับมีฐานสูงได้แต่ไม่เกิน8นิ้วนะครับ8นิ้วคือค่อนขประมาณ50เซ น, นครับ50เซนติเมตรนะก็เอไม่มันทักไปวันกันละกันนะครับ <c oughs> เอาเฉพาะอาตัวขายจริงนะตัวแม่แค่นะไม่นับ น, นะครับแม่แค่ที่เป็นตัวรองแผนกระดานใช่ไหมครับก็ตัวนั้นนะไม่นับ น, นะครับแม่แค่มันจะใหญ่ที่ไหนก็ไม่เหวียงใช่ไหมในน้ำ น, น, นอกจากขาที่มันขึ้นไปนะว่า มันยากถึงไหนอันนี้มันเนอรรงบานนะมันจะมีร้อใช่ไหม้อก็ไม่นัเหรครับเพราะไม่ช่ขามันเป็นร้อสีมันมีร้อสีแล้วก็ขายืออกมาใช่ไหมที่เรียนมาจากอาจารย์้นก็บอกว่าก็ไม่ออกรอก็ไม่ขนครับแต่ว่าที่เราไปนอนกันน่ยเป็น้อพิเศษที่ไม่ทํามดา เตียงสบายเลยปั uh ๊มฮะนี uh ่ต oh. <c oughs> oh ัวเลยครับแล้ว uh ก็เวลาไปบริจาคเลีอดก็สะดวกนะที่เขาต้องไม่สูงเท่าเท้าต่าๆนี่เมื่อก่อนเป็นบริจาคที่การชาดนะครับเตียงสูงนะแล้วก็เป็นบริจาคที่อะไรนะเพชรบุรีนี่หรอครับดันั้นเพชรบุรีนครับแล้วก็เตียงสูงธรรมดาเตียงเท้างมันจะเกินเขาห้าสิบเซนติเมตรทั้งหมด ถ้าเตีย ง, งบางเา้าจะทำสูงใช่ไหม ค, ครับเพื่อให้หมอเขาสะดวกเวลาไปตรวจโรคคนไข้ไม่ต้องไปก้มแย่อะไรมากใช่ไหมนอกจะาก พ, กพิเศษนิดหน่อยใช่ไห ค, ครับยังไปแต่นี่ไปให้บางหงศิริมั น, นก็สบายไม่ปนะนะะีปัญหาครับอันนี้ก็มีปัญหานะถ้าทําสูงกว่านั้นห้าสิบเซนนะครับก็ต้องบัดไประีติในสุดท้ายบท น, นี้ที่มีการตัดเจินันยกรรมหมายความว่าต้องตัดฐาตียงนั่นก่อนใช่ไหม ให้มันได้ขนาดหรือว่าต่ากว่านะครับถึงจะโปงอะมาตกะครับถ้าไม่อยากจะต่างก็คุ้ลงุงฝางลงเสี้อนะครับที น, นี้นา็ได้นะครับ <Okay. S 1> เวลาเขาทำสมัยเขาเป็นกุฏิดินนะและกุฏิดินมันมีหลายแบบนะครับแบบที่เมืองไทยที่เขามาทํากันนะ mm hmm. ถือว่าเป็นกุฏิดินที่ทํทำยากนะครับกวามจริงมันยังมีกุฏิดินที่ทําง่ายกว่านั้นอีกครับ mm hmm. ที่ประเทศอินเดียเขาทํากันนะ ไม่ต้องก่ออีกเป็นก้อนเปนก้อนนะครับไม่ต้องก่อเลยนะครับเข้าอีกมาขยํำนะแล้วก็มีแป้งนะครับแล้วก็ใส่เขาก็แบนแบนมัเลยแป้งคือไม้ไผ่ธรรมดาอะไรนะครับเหมือนกับที่เขเทคอนกีดลงใช่ไหมเขาจะมีเป็นเหล็กตป็นานใช่ไหมครับล่อเนะเ้าก็เอาไม้ไผ่มาใส่เข้ามานะครับแล้วก็เอาดินาเทลงไปเลยนะครับเป็นดินเหนียวที่คลุกขยําอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เทไปทําเป็นบ้านแล้วก็ทอเนื้อนะครับ เรียนตั้งหลายปีนะกว่าที่มันจะล่อนหลุออกมานะครับนะ่ะเขาใช้เวลาเขาบอกว่าทําแค่คนเดียวทำสร้างบ้านนี่นะเขาทําได้คนเดียวนะครับพทำง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรทาประมาที่มันเสร็จครับของเราในบ้านดินนี่เกือบตายนะ <c oughs> โอ้ยคนไม่รู้เขาบอกว่ามันต้องใช้ถุงอะไรเยอะทําก็จะดูดการจะมีบ้านหลังไม่ใช่เรื่องง่ายบ้านดินสิโอ้ยลำบากจะตายจรครับ มันไม่ใช่เรืนอ่ายที่คิดเลย <c oughs> แล้วใครดูใครดูไหมในในในวิดีโอนะให้ดูใช่ไหมครับมนันง่ายใช่ไหมแต่ความจริงโอ้ยไม่ง่ายเลยนะครับก่อจะไปกับยา่าอันเน้นขุดดินออกมาใช่ไหมแล้วจะเ่อาความขยำนะครับเอาเท้าเหยียบเนะี่ยใช้เวลานานมากก็ถ้ามันแก่ทาไม่ได้ถ้าลาบากแต่ในความจริงมันมีกุฏิดินหลายแบบนะที่ง่ายกว่นี้ก็มีนะครับพิ่งก็ไม่ต้องอะไรธรรมดา มันก็เลยมีการที่สามารถจะขุดหลุมกุฏินั่นได้แล้วก็สังขาเจียงลงไปเลยนี่นะครับก็ได้นันไม่ได้ขนาดนี้มันเป็นต้นต้นบรย่างม า, าามาจากพระอุปนันทสารอยาบุตรนะครับโดยสมัยนะั้นพระพุพาจะเจ้าประทําอยู่ณนะพระเชตวนัน อารมณของนาถานวิริาะข้ามบารีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านผู้ปนัทสาขยันบุตรกําลังนอนอยู่บนเตียงนอนอิงสูงพอพดีผู้มาพาเจ้าเสด จ, จาลิตรานเสนณะพร้อมด้วยพิสุเป็นอันมาก่าเข้าไปทางที่อยู่ของท่านผู้ปนัทษ า, าขยันบุตรท่านผู้ปนัทสาขยันบุตรได้แรงเห็นม้าภาคเจ้าเสร็จมาแต่สายเที่ยวครั้งแล้วได้กราบทูลว่า ขอเชิญเสด็นทอดพระเนตรดินนอนของขพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่า e ยังกราบถึง่พระเจ้าไปดูอีกนะยังไม่รู้ว่าผิดอะไรครับมันจึงมอนไ ม, ม่ดีใช่ไหมมันก็เหมือนของพวกคารวานี่มันสูงกันไปนะครับเตียงต่ำสูงอย่างใช่ครับจึงาาจเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับจากที่นั้นและรับสั่งการพิสุททั้งหลายว่าดูก่อนสุทธิทั้งหลายพวกเธอเป็นข้าโมฆะบุรุษเพราะที่อยู่อาศัย ครับ น, นี่นะขั้นแรกทรงตีเตียนท่านพระกงค์ั้นท่าสารกระยาบุตเดือนเนปริยาและรับสั่งกลับที่ทั้งหลายว่าแล้วก็มีคำถามตัวนี้ขึ้นมานะ <c oughs> ไอเตียงสัง่งมีพูดไปแล้วย่อเตียงสั่งมีขีดแบบเตียนสั่งที่มีแม่แคลงสอดเข้าไปในขาใช่ไ้มครับเอาตัวแม่แคลงทาแม่แคลงแสดงว่าเขาต้องเจาะรวยตรงขานะใช่ไหมแล้วก็แม่แค่งเสียบเข้าไป เตียงที vor, yeah. ่มีแม่แฝกติดเนื่องแอนเดียกันกับหาตอกกระปูแสนไปเลยใช่ไหมครับเนื่อสถานะนะครับสบายเตียงที่มีขาดังกั้งปูนครับใครๆเขาบอกว่าเหมือนอะไรได้แก่เตียงที่เ้าทําให้มีแม่แฝกคาดเท้าเตียงโดยลักษณะขาบางๆนะครับ แล้วก็เตียงที่มีขาจดแม่ไ ค, <ม>ค่ขาตั้งแต่เด็ก ท, ทำหน้าใช่ั้ยครับทหน้าอ๋อมันต้องเป็นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นเป็นไม้ครอบแรงโอ้ครอบขาติดติดตังรึงไครับ เนีย่ยต่างก็เหมือน ก, น ก, นกนารเปลี่ยนแปลงเป็นนี่แหละต่อไปนะครับมาดูข้อธิบายการขายสองอยหกสิบนะครับคำอธิบายท่านจะไม่อธิบายเยอะท่านบอกว่าเหมือกันอย่างแรกคือตอนที่ทําเองก็ดีใช้ทําพื่อดีเป็นทุกกฎในะเปี่ยวที่ทําใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นแบบไปอีกทีตอนที่เสร็จแล้วได้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรใช้พูนทํา ทำเองหรือใช้ผู้่นทาเพื่อประโยนผู้สุกผู้อื่นต้อง บ, บัดทุกข์กบคุณครับแม้ได้ที่ผื่นทํำไปแล้วนะได้มาใช้สอยก็ต้อง บ, บัดทุกกบนะครับไม่ครัเหมือนกันนะเป็นจิตวกาไปอยีกต<ส>ีเหมือนกันท่จะไม่พูดเยอะแล้วนะครข้อห้าข้าวในการขาสองร้อยหสิบนะอธิบายมันจะตีแทสิกขาบดฟึนซ่าอธิบายในสิคัาที่ห้าต่อไปคําว่าเตียงได้แก่เตียงชิดใดชนิดหนึ่ง ในธรรมดา เ, เตียงนี้แม่แคร่สอเข้าในขาเป็นต้นนะครับแม้ตังก็เช่นเดียวกันเนี่ยต่างเนี่ยท่านจะที่ลักษณะต่างตรงนี้นะก็ต่างนั้นไม่ยาวมากเหมือนเตียงไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนอาสันธินะครับอาสันที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุ ร, รัสนะแต่ต่างนี้่เัาไ ม, ไม่ยาวเหมือนเตียงแสดงว่าเขาคล้ายๆเตียงนะแต่ว่ามไม่ยาวมากเหมือนเตียงแล้วมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตรรุรัสนะู่ครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะี่ สี่เดี่ยมไม่จัดตัวรันนั่นแหละเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรนะสีเหลี่มถึงผ้าถึง้าครับเขาียกว่าสี่เหี่ยมอะไรนะสี่เ้าี่ืมถึงผ้าถึงามูเนี่ยเอ่ชื่อว่าเสื้ธนกาศนะครับก็เหมือนเป็นธนกานั่นแหละนั่นแหละ ต้องตัดเท้าเตียงหรือตัดให้ได้ขนาดก่อนจึงแสดงอาบาตัตปาจิตีนะครับเหตุนักรประแพ้อาบัตสิกขาบาทนี้ผู้ยิ่งภานจ้าทรงฟรุทพุทปนันทะในมูษาบาทีบาญญัติได้แล้วเพราะเหตุคือการนอนบนเตียงสูง่อาณาบาัตพีสูดทําได้ขนาดก็ดีเนีย่ยพอดีเลยใช่ไหมไม่ต้องอาบัตนะครับได้เตียงต่างที่เกินขนาดและตัดกองก็ดีก็ไม่ตัดเลย คุณหลุมฝังหาเตียงที่ยาวเกินหรคุณหลุมก็ได้นะครับหรือทําพื้นให้สูงก็ดีนะครับโอาหนี้ลาบากนะเนี่ยมันต้องไปหาอะไรมาถม น, นั่น <c ười> คุณหลุมไม่ายากใช่ไหมหรือถมพื้นให้สูงขึ้นนะครับถมเฉพาะที่อื่นตรงขานั้นไม่ถมนะให้มันสูงนะครับหามาันจะได้ขนาดพอดีมันก็ลาบากตัดทีเดียวเลยง่ย น, นั่นก็พูดถึงว่าทํานี้ได้นะครับ ผูกทำเป็นแม่แคร่นะใช้สายก็ดีนะครับนี่ก็ได้นะครับหมายว่ายกขึ้นไปข้างไว้นะบนไหนนะ่ะบนล่างนะในสิกขาบนคอยใช่ไหม <c oughs> ข้างวันนี้ไม่ปูแผ่นกระดานนะไอเจียนที่ขาย้ายปัญหาหรอพราะเราขาเข้างไปเลยใช่ไหมเข่องไปเล ย, เลยนะครับยกขึ้นไปวางบนคานจะทำให้เป็นแม่แค่ใช้สายนี่ก็ได้นะครับจะหลุดใช่้หมครับ บนบนไม่ค่ะค่ะมีต่อไปในเมต่อไปในเมยเขาไม่แค่ต่อนี่ยค่ะไม่จะจ่อไปเลยว่ามีเมฆแห้งยักษ์ก็ขาดมันเป็นเมฆอืดอืมค่ะอันนี้ที่เป็นการดูค่ะแล้วก็ี่สูบ้ากันต้นก็ดีไม่ต้องอานบัตรนะครับสินค้าันนี้มีองสองเหล่านี้คือหนึ่งเตี้ยงหรือจังเกินขนาด สองได้มาจากการทําเองหรือใช้ผู้่นทำอย่างแค่อองสองต้องไปเตี้ยนะครับคําที่เหลือทั้งหมดเหมือนกับสูจิคราสิขาบท น, นั่นเองเลยจบ ก, การอธิบายมันจากตีขังสิขาบทจบนะครับเหมือนกันเลยข้อมูลนกเหมือนันเหมือนกันเลยข้อมูลฐานหกเหมือนกันจะต้องกับการไปตีเหมือนกันนะครับง่ายนะครับ